ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่72โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟัง MP3 แผ่นที่72ให้คติธรรมว่ากัลยาณมิตตาโหติการมีกัลยาณมิต เป็นสิ่งที่ดีเคยในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากหลากหลายมีทั้งพระคุณของบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ตลอดถึงมีกัลยาณมิตรคือมิตรที่ดีคนที่มีมิตรที่ดีก็ยังที่หลวงพ่อเองได้ยกเป็นชาดกขึ้นมาว่ามีเศรษฐีลูกเศรษฐี ออกไปที่ท่านไปเรียนเมืองตะกะศิลาจบมาทั้งสี่คนก็เป็นผู้ร้อนวิชาว่าเนี่ยเราจะพูดไปข อ, อ, อพ่อค้าเนื้อเนี่ยที่เขามาขายเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้เงิน เ, น เ, เราจะใช้วาทะไปขอเขาอย่างไรนี่น่ะอันนี้ก็คือกรญยาณมิตรจากนั้นท่านก็ต่างคนก็ต่างใช้วิชา ความรู้ของตัวเองทั้งสี่สี่สหายคนหนึ่งก็เข้าไปขอก็บอกว่าเฮ้ยคุณเราเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีนะอยู่ในเมืองเนียถ้าจะไปขายสิ่งของนะั่น่ะต้องบอกเราก่อนเราจะบอกคนทั้งหลายให้ซื้อสิ่งของกับตะแก่ตะแกจะได้ไปขายของได้อย่างดีได้เงินมากเพราะนั้นตะแก่จะไปขายแบบไม่รู้จักใครใเฉลยนะ่ะไม่ได้นะ เพราะนั้นเรามาคราวนี้ก็มาขอเนื้อเพื่อเอาไปเลี้ยงหมูพวกเพื่อนจุดแท้แต่จะให้นะเพราะนั้นขอเราขอเนื้อเอาไปให้หมูเลี้ยงหมูจักหน่อยได้ไหมนะพรานในพรานคนนั้นก็บอกเออคนคนนี้เนี่ยมาขอของจากเราเราขอแบบแข็งกล้าวไม่มี ความยืดหยุ่นไม่มีความาการจะขอจากคนอื่นอย่างนี้มันต้องพูดอ่อนน้อมกว่านี้อันนี้พูดแบบ อ, อย่างไงอพูดอวดตัวอีกต่างหากถ้าเขาขอชนี้ควรจะให้แต่ผังผืดนะอผังผืดจะว่าหนังก็ไม่ใช่จวบเนื้อก็ไม่ใช่เแต่เนี่ยตัดตัดตั ด, ตด เ, อเอาพังผืดยื่นใหเ้เอาไปเอาไปเลี้ยงหมูไป คนที่สองเข้าไปอีกออแข่งวิชากันพรมันอยู่ห่างๆกันมองอยู่คนสองเข้าไปอีกออไปเรียกว่าพี่พี่ผมข อ, เ, อ, อเนื้อไปเลี้ยงหมูพวกเพื่อนพี่เพราะว่าผมมีความจำเป็นจงให้ค่อยช่วยๆผมด้วยเถอะนายพรานคนนั้ น, นเขาเรียกว่าคำว่าพี่เนี่ยสมควรจะให้เนื้อขาพ่อยแล้ พี่เนี่ยเราต้องเอดูแลสงเคราะห์พวกน้องๆต้องเป็นผู้ใหญ่เราต้องสงเคราะห์เขาเอาเราเนื้อขาบไปไปเลี้ยงกันไปแต่คนหนึงเข้าไปเอ น, นี่ยพหนี่เข้าไปเรียกพ่อพ่อครับผมขอเนื้อเอไปเลี้ยงหมู่พวกเพื่อนของผมเลยเพราะพ่ออผมเห็นพ่อมาแน่ก่อนคุณพ่อมาแน่กว่าผมก็ อุ่นใจแหละแต่ถึงอย่างผมขอไปเลี้ยงหมูพวกเพื่อนสักหน่อยจุดแท้แต่คุณพ่อจะเมตตาจะให้ผมเท่าไหร่ก็ได้ะผมในฐานะลูกผมเรียกปุณคุณพ่อเนี่ยเมตตาผมเท่าไหร่ทางนายพรานคนนั้นอืเขาคนนี้เขาเรียกเราเป็นพ่อคำว่าลูกกับพ่อนี่พ่อเรียกขึ้นมาแล้วพอลูกเรียกพ่อเนี่ยพ่อเนี่จิตใจสะท้านหวั่นไหวใจหัวใจเนี่ย วันไหวกลวยแขว่งเขเรียกคุณพ่อนะเนี่ยพะนั้นคนนี้สมควรจะให้เนื้อหัวใจหัวใจของพวกเก่งพวกกวางที่อยู่ในอยู่ในรถของตนเองอยู่ในล้อของตนเองไปเอาไปเลี้ยงหมูเลี้ยงเพื่อนนะลูกนะแต่เนี้มีคนหนึ่งคนสุดท้ายเข้าไปคนนี้บอกว่าเข้าไปเสร็จแล้วลเรียกว่าเพื่อนเนอเพื่อน ไปยังไงมายังไงเสียหายมิตรสยหายผมมาเห็นคุณแล้วก็ถือว่าเป็นมิตรเป็นสหายนะเพื่อนนะเป็นกัลยาณมิตรเรานะเราต้องคบกันต้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันพึ่งพาอาศัยกันนะต่อไปภายภาคหน้านะถ้ามีอะไรบอกผมผมยินดีเป็นกัลยาณมิตรขนาดนะั้นเหรอใช่ผมจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเออเอ่ คุณจะเอาเท่าไหร่ผมจะยกให้ทั้งหมดเพราะว่ามิตรนี่มิตรเป็นยังไงเราเป็นยา ง, ง้นเราเป็นยังไงมิตรสหายเป็นยังไงคืออันหนึ่งอันเดียวกันคืออ ว, วัยวะอันเดียวกันคือมิตรสหายกันรยาณมิตรต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมเพื่อนใช่เป็นอย่างนั้นเออเอาจะเอาเท่าไหร่อันนี้คือการพูดรวกกันรยาณมิตร เป็นมิตรที่ดีเขาพูดกันมาตั้งแต่โบราณการเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ณสถานที่ใดถ้ามีมิตรที่ดีมีแต่ความเจริญถ้ามีปลาประพิษแล้วมีแต่ความกิบหายชวนกันกันไปกินเหล้าชวนกันไปค้ายาบ้าชวนกันไปทำความชั่วนานับประ ก, การความชั่วในโลกนี้มีมากหลากหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน ให้คบกันเป็นกันลยาณมิตรจะเลิศประเสริฐกว่าดีกว่าที่พวกเราจะชวนกันไปในทางที่ไม่ดีด้วยอํานาจคุณพระศีะรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอํานาจบุญบามีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใด